บทที่แปสิบก้าสมเด็จโตวัดระคังเรือโดยสารขนาดใหญ่บรรทุกผู้โดยสาร60คนออกจากท่าพระจันทร์แล่นทวนน้ำมุ่งหน้าไปยังนนทบุรี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 ในยามที่บ้านเกิดศึกสงครามอีกด้วยเหตุนี้ในวันเพ็ญเดือนสิสองจึงมีประเพณีลอยกระทงเพื่อระลึกถึงคุณขอขามาลาโทษต่อแม่พระคงคาที่ให้มนุษย์ได้อาบกินและขับถ่ายของโสโครกลงไปโดยที่แม่พระคงคาไม่ได้รังเกียจเดียดฉันหรือเธอโทษโกรธเคืองแต่ประการใด หนึ่งชั่วโมงให้หลังเรือก็แล่นมาถึงท่าน้ำจังหวัดนนทบรุรีอันเป็นจุดหมายปลายทางชายหนุ่มอายุราวยี่สิบเข้ามากราบเจ้าคุณอาจารย์และเรียนท่านว่านายผ่องปู่ของเขาให้พายเรือมารับพระไปยังบ้านซึ่งอยู่ในสวนตรงข้ามเมื่อพระสงฆ์ทั้งก้ารูปมานั่งเรือเรียบร้อยแล้วล้านชายในผ่องจึงพาเรือออกจากท่า เพียงห้านาทีก็มาถึงเขาผูกเรือไว้กับเสากระโดงแล้วจึงนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นจากเรือนายพึ่งบิดาของเขารอรับอยู่ที่ศาลาท่าน้ำบุรุษวัยกลางคนนั่งคุกเข่าบนพื้นศาลาแล้วก้มลงกราบสามครั้งพูดว่านิมนต์พระคุณเจ้าขอรับต้องเดินเข้าไปในสวนอีกห0ิเมตร ใช้เวลาประมาณสิบนาทีขอรับเขาเดินนำไปบนท้องร่องซึ่งทำเป็นทางเดินด้วยการนำแผ่นอิดมาเรียงกันเมื่อถึงบ้านไม้หลังใหญ่ในพึ่งจิงนิมนต์ขึ้นบ้านและกุลีกุจอ์ตักน้ำมาล้างเท้าให้พระภิกษุทุกรูปพระเจริญรู้สึกประทับใจในการต้อนรับขับสู้ของเจ้าภาพขึ้นไปบนเรือนแล้วในผ่องบิดาของในพึ่ง จิงนิมนให้นั่งอาสนะที่จัดเตรียมไว้พระอุดมวิชาญาณ น, นั่งหัวแถวถัดมาเป็นเจ้าคุณขาเซมพระภิกษุอีกเจ็ดรูปนั่งถัดไปเรียงตามลำดับอาวุโสพระเจริญนั่งเป็นอันดับสุดท้ายพระบวชที่หลังรูปอื่นๆเมื่อพระสงฆ์ก้ารูปลงเรือเรียบร้อยแล้วในผ่องจึงพูดผ่านทางไมโครโฟนว่า ขอเชิญญาติโยมบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกันผมจะว่าเป็นไทยก่อนไม่ต้องวาดตามให้ว่าตามเฉพาะภาษาบาลีจากนั้นเขาก็กล่าวคำบูชาพระรัตนตรยัยด้วยเสียงกังวานน่าฟังความว่าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาของเราทั้งหลาย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 ข้าพเจ้าทั้งหลายขออภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหังสัมมาสัมพุทโธภพคะวาพุทธังพักวันตังอภิวาเทมิกราบพระธรรมคําสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสัจธรรมอันประเสริฐทนต่อการพิสูจน์ทุกกาลสมัยเป็นนิยายานิกธรรม สามารถน้อมนำผู้ประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากทุกข์ประสบสันติสุขได้จริงข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อนมนมัสการพระธรรมอันประเสริฐนั้นสวาค้าโตภควตาธรรมโมธรรมมังน ม, มัสซาามิกราบพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติชอบ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 สุปฏิปันโนภควตโตสาวกสังโฆสังฆนามามิกราบเมื่อนำบูชาพระรัตนตรัยเสร็จนายผ่องจึงพูดกับพระอุดมวิชาญาณโดยไม่ผ่านทางไมโครโฟนว่ายังเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงจึงจะเริ่มเจริญพระพุทธมนตระหว่างนี้ขอพระคุณเจ้าพักผ่อนตามอธิยาศัยครับ ขอบใจโยมนี่ก็ทำบุญวันเกิดปีที่เท่าไรแล้วละ่ะท่านถามตอนในพึ่งไปนิมนต์เขาบอกเพียงว่าทำบุญวันเกิดให้บิดาเจ็ดรอบแล้วครับเจ้า <7 S 1> ของวันเกิดตอบเจ็ดรอบแล้วหรือดูไม่รู้เลยนะถ้าไม่บอกอาตมาคิดว่าสักเจ็ดสิบ เจ้าคุณอาจารย์ลงความเห็นเจ้าคุณขาเสมจึงสนับสนุนว่าจริงอย่างที่ท่านเจ้าคุณโชดวกว่านั่นแหละอาตมานึกว่าโยมอายุสักเจ็สิบไม่น่าเชื่อ ว, ว่าแปสิบสีแล้วคงเป็นเพราะผมอยู่กับสวนมาตั้งแต่เด็กกระมังครับช่วยพ่อแม่ทำสวนซึ่งเท่ากับได้ออกกำลังกายทุกวันเลยดูหนุ่มกว่าคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน คำบอกเล่าของโยมผ่องทำให้พระเจริญคิดไปถึงผู้ใหญ่บ้านที่พาท่านไปพบหลวงพ่อในป่าโยมผู้นั้นอายุแปสิกว่าแต่ยังแข็งแรงเพราะช่วยพ่อแม่ทำนามาตั้งแต่เด็กนั่นรูปสมเด็จโตใช่ไหมพระอุดมวิชาญาณถามเมื่อมองไปเห็นรูปหล่อด้วยโลหะขนาดเท่าองค์จริงเป็นรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธารย์ วัดระฆังในท่านั่งขัดสมาธิมือทั้งสองกาตั้งขึ้นเหนือท้องมือขวาอยู่ข้างบนมือซ้ายถูกแล้วครับพ่อผมเป็นคนสั่งให้หลอกขึ้นพ่อเคารพสมเด็จมากท่านคุ้นเคยกับครอบครัวพ่อเรื่องมันยาวครับถ้าท่านจะคุณอนุญาตผมก็จะเล่า หากไม่เป็นการละลาบละล้วงอาตมาอยากฟังเพราะอาตมาเองก็เคารพท่านมากแม้จะเกิดไม่ทันท่านโยมเกิดทันท่านหรือเปล่าไม่ทันครับพ่อเล่า ว, ว่าท่านมรณาพาไปก่อนที่ผมจะเกิดแต่พ่อผมทันท่านครับท่านสนิทกับมหาทองซึ่งเป็นน้าเขยของพ่อคือเมียของมหาทองเป็นน้าสาวของพ่อผม ท่านเจ้าคุณเคยได้ยินชื่อมหาทองไหมครับที่สอบมหาป ร, ริญญาต่อหน้าพระที่นั่งในอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามพ่อผมเล่าว่าสมัยนั้นการสอบมหาป ร, ริญญาจะต้องสอบกันต่อหน้าพระที่นั่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าวเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการสอบด้วยพระองค์เองอาตมาก็เคย ฟังพระผู้ใหญ่ท่านเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้รายละเอียดโยมพ่อของโยมเล่าว่ายังไงบ้างละ่ะพ่อเล่าว่าพระมหาทองเก่งมากครับคนสมัยนั้นรู้จักท่านในฐานะมหาป ร, รียนที่เก่งที่สุดแต่ก็น่าเสียดายครับคนเคยบวชมาตั้งแต่เป็นเนนพอได้มหาป ร, รียนกลับศึกศึกออกมาครองเรือน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 เตือนทางอ้อมไม่ได้ใส่ใครหรอกครับท่านเจ้าคุณพ่อผมถึงจะไม่ได้เป็นพระแต่ก็ดีเหมือนพระไม่เคยอิจฉาริษยาใครไม่เคยว่าร้ายหรือใส่ร้ายใคร ชาวบ้านแถบนี้้านับถือพ่อผมทุกคนพ่อตายตอนอายุ99ปีเต็มงานศพพ่อคนมากันเป็นพันเลยครับตอนนั้นผมโตจงความได้แล้วแสดงว่าพ่อของโยมมีโยมตอนอายุมากแล้วใช่ไหมเจ้าคุณเกษมถามครับท่านเจ้าคุณผมเป็นลูกหลงตอนนั้นแม่ผมอายุห้าสิบกว่าแล้ว พี่ก็โตโตกันหมดผมห่างจากพี่ชายคนที่ติดกับผมถึง18ปดปีนายผ่องเล่าวัยแปสสไม่ได้ทำให้ความจำของเขาเลอะเลือนแต่อย่างใดตอนนี้พี่ๆผมก็ตายกันหมดแล้วครับพ่อผมมีลูกส1บอ็ดคนผมเป็นคนสุดท้องพวกเราทั้งส1บอดคนรู้จักสมเด็จโต เพราะพ่อเล่าให้ฟังบ่อยๆการที่สมเด็จท่านมาคุ้นกับพ่อผมก็เพราะมหาทองเป็นเหตุครับเรื่องไปยังไงมายังไงไหนเล่าสิอาตมาอยากฟังเจ้าคุณขาเสมพูดขึ้นบุรุษวัย8ปจึงเล่า ว, ว่าคือพ่อผมสอบมหาป ร, ริญญาได้ไม่นานพระมหาทองก็ลาสิกขา แล้วก็มาแต่งงานกับน้าสาวของพ่อผมพ่อบอกตอนนั้นพ่ออายุได้สิบสามปีอาศัยอยู่กับน้าเพราะแม่คือย่าของผมตายตั้งแต่พ่ออายุได้สามขวบน้องสาวย่าก็เลี้ยงดูพ่อผมมาโดยมีมอระดกที่พ่อทิ้งไว้ให้เป็นสวนหลายขนาดทีนี้มหาทองเมื่อมาแต่งงานกับน้าสาวของพ่อผมก็เกิดความโลภอยากได้สมบัติส่วนที่เป็นของหลาน ของหลานเมียซึ่งหมายถึงพ่อผมพ่อเห็นว่านาเขยเป็นมหาป ร, รีญญมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาก็ไว้ใจคิดว่านาเขยเป็นคนดีพอพ่อบรรลุนิติภาวะมหาทองก็นำเอกสารมาให้พ่อและบอกให้เซ็นชื่อโดยหลอกว่าแบ่งสมบัติกันเพราะพ่อบรรลุนิติภาวะแล้วพ่อไม่คิดว่านาเขยจะทำชั่วอย่างนั้นได้ จึงลงลายมือไปภายหลังถึงได้รู้ว่าเป็นสัญญาเงินกู้และก็ใบยินยอมยกที่สวนให้เป็นการใช้หนี้หากผมเป็นพ่อคงค่านาะเขยเสยแล้วแต่พ่อก็ไม่ว่าอะไรสักคำคิดว่าเป็นการทดแทนบุญคุณที่นาสาวเลี้ยงมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างฐานะของตัวเองมหาทองไม่มีลูกกับนะ้า ผมก็ไม่เข้าใจว่าคนเราบวชอยู่กับพระศาสนามานานลูกเต้าก็ไม่มีทำไมถึงโลภถึงปานนั้นเพราะอะไรครับท่านเจ้าคุณบุรุษสูงวัยต้องการคำตอบเพราะเขาเข้าไม่ถึงพระศาสนานโยมเป็นการบวชที่เข้าไม่ถึงตรสิกขาได้แค่ปริยัตแต่คงไม่เคยปฏิบัติ จึงเข้าไม่ถึงศีลสมาธิปัญญาศึกออกมาก็ยังเป็นคนดิบอยู่นั่นเองเจ้าคุณขาเสมวิจารณ์รู้สึกสะเทือนใจกับเรื่องที่ได้ยินได้ฟังแล้วสมเด็จโตท่านมาสนิทสนมกับครอบค ร, บครัวของพ่อโยมได้ยังไงเจ้าคุณโชดกถามคือมหาทองเป็นคนนิมนต์มาครับพ่อบอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกมาก ที่สมเด็จท่านทราบความเป็นมาของมหาทองเป็นอย่างดีทั้งที่ไม่มีผู้ใดเล่าถวายคือสมัยที่บวชอยู่มหาทองแก่คุ้นกับสมเด็จถึงขนาดเจรจาโตอตอบกันด้วยภาษาบาลีจะเรียกว่าคู่แข่งกันก็คงจะได้เพราะสมเด็จท่านก็เก่งบาลีมหาทองก็เก่งพอมหาทองศึกก็ยังระลึกถึงท่านอยู่พอแกอายุห้าสิบ ก็คิดจะทำบุญฉลองวันเกิดจึงนิมนต์สมเด็จเป็นองค์ประธานและก็นิมนต์ท่านเทศด้วยแก ค, คงไม่คิดว่าสมเด็จท่านจะเทศออกมาอย่างนั้นพ่อผมเล่าให้ฟังอย่างละเอียดว่าพอขึ้นธรร ม, มาตสมเด็จท่านก็ตั้งนโมสามจบเสร็จแล้วจึงว่าตาทองนะตาทองเสียดายที่สอบได้มหาป ร, ริยญต่อหน้าพระที่นั่ง ในวัดพระศรีรัตนาศาสดารามแต่พอศึกออกมากลับทําชั่วมัวเมาในอบายามุกแกจะต้องได้รับกรรมเพราะโกงที่สวนของหลานเมียพอท่านเทศอย่างนี้ทุกคนพากันตกตะลึงด้วยไม่คาดคิดมาก่อนว่าท่านจะกล้าดึงหน้ากากมหาทองต่อหน้าผู้คนมหาทองกโกรธมากขู่ว่าให้เทศใหม่ มิฉนั้นจะไม่ถวายกันเทศสมเด็จท่านก็ตำหนิมหาทองว่าติดสินบนท่านมหาทองโกรธหัวฟัดหัวเวียงลุกขึ้นได้ก็ลงเรือนไปพ่อผมกับน้าสาวต้องมากราบขอโทษสมเด็จและนิมนต์ท่านให้เทศต่อท่านก็เทศเรื่องบาปบุญคุณโทษสอนญาติโยมไม่ให้เอาอย่างเยี่ยงมหาทองท่านกำมือเหมือนอย่างในรูปหลอ แล้วก็สอนว่าคนเรามีสองกรรมคือกรรมปากกับกรรมท้องเพราะสองกรรมนี้ทำให้มนุษย์ทำกรรมบางคนทำกรรมชั่วเพื่อปากท้องบางคนทำกรรมดีแม้ท้องจะหิวปานใดก็ไม่ยอมทำกรรมชั่วกรรมจึงมีสองคือกรรมดีกรรมชั่วตอนพ่อเล่าผมจำได้หมด แต่เดี๋ยวนี้ชักเจริญเลือนด้วยว่าอายุมากุรุษวัย84ออกตัวนี่ขนาดเลือนเลือนยังเล่าได้ละเอียดอย่างนี้โยมความจำดีเหลือเกินถ้าเป็นอาตมาคงลืมไปเย น, นานแล้วเจ้าคุณเสษมชมมันฝังในใจครับท่านเจ้า ค, คุณพ่อก็ช่างดีแสนดีไม่เคยว่านะเคยแม้แต่คำเดียว แต่กรรมมันมีผลวิบากนะครับท่านเจ้าคุณเพราะหลังจากนั้นอีกเจ็ดวันมหาทองก็เป็นลมตายอยู่ในท้องร่องกลางสวนที่แกโกงมาจากหลานเมียนั่นเองเสียงคนผู้เล่าฟังดูเมันสะใจที่มหาทองตายเสียได้แน่ใจนะว่าไม่ได้ดูฆาตกรรมเจ้าคุณโชดกถามยิ้มยิ้มแน่ใจครับพ่อบอกว่าวันที่แกตาย พ่อไปบังกอบที่สนามหลวงเขามีงานพ่อไปเที่ยวกับเพื่อนๆกลับมาจึงรู้ว่านาเขยตายซะแล้วพ่อก็ทำศพให้อย่างสมเกียรตินิมนต์สมเด็จมาเทศมีคนถามสมเด็จว่าที่มหาทองตายนั้นเพราะท่านแช่งไว้หรือไม่สมเด็จท่านตอบว่าถ้าท่านทาอย่างนั้น ก็คงจะแช่งพวกมารศาสนาให้ตายให้หมดโลกไปแล้วท่านเพียงแต่บอกว่าท่านเห็นกรรมของมหาทองและพยายามที่จะบอกให้เจ้าตัวรู้แต่แกกลับโกรธเพราะถึงคราวของแกต้องใช้กรรมคนที่พบศพเขาบอกว่าแกไม่เมาก็คงไม่ตายเพราะแกล้มหน้าคว่ำลงไปในท้องร่องซึ่งมีน้ำขังอยู่นิดเดียว ตัวอยู่บนบกแต่ว่าหน้าจมน้ำในท้องร่องซึ่งไม่น่าจะถึงกับตายในผ่องเล่าขณะนั้นเวลาสิบนาฬิกาสนาทีพระอุดมวิชาญาณจึงพูดขึ้นว่าได้เวลาจเจริญพระพุทธมนต์แล้วถ้ามีเวลาคุยกันต่อนะโยมนะนิมนต์ครับเจ้าของวันเกิดนิมนต์ โยมจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนเสร็จแล้วจึงนำอาราธนาศีลอัตมาให้ศีลจากนั้นพระสงฆ์ทั้ง9ก้ารูปจึงเจริญพระพุทธมนต์พระอุดมวิชายานบอกถึงลำดับขั้นตอนในพิธีบำเพ็ญกุศลแก่บุรุษวัย84